นั่งามธรรมดาสบ า, สบายสบายไม่ต้องประนมมือก็ได้ไม่เสียความเครพนั่งสำคัญที่รักษาจิตในขณะที่ฟังรุณนาทำความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งไปส ฐ, ฐานที่อื่นประแสงธรรมที่ท่านแสดงไปจะเข้าไปสัมผัสความรู้ของเราที่ที่อยู่กับตัวแล้วชัดถ้อยชัดคำ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 ใครก็อยากคบค้าสมาคมไม่มีใครลังเกียจเกียวกับต้นดอกไม้ที่มีที่สวยงามและมีกลิ่นหอมด้วยีนี้รูปร่างกลางตัวของเราไม่มีใครสามารถจะตกแต่งได้นอกจากกรรมที่ตกแต่งให้เป็นขึ้นมาดังเร า, เราท่านท่า น, ท, นทั้งหลายนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่การตกแต่งด้วยทางศีลธรรมนี้เป็นสิ่งที่เราพอทาได้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 ดีไม่ดียังสู้สัตว์บางประเภทไม่ได้อืเพราะเหตุไรเพราะสัตว์นั้นคนไม่ค่อยจ้องมองอะไรมากนะแต่คนเหล่านี้เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดหนูสัตว์คนจึงจ้องมองกันถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ต่ํากว่าสัตว์นี่ภูมิมนุษย์เป็นภูมิที่สูงสง่งเป็นภูมิที่ควรจะอ่อดแก่ธรร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 จะเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกได้อย่างไรเมื่อเป็นเครื่องสนับสนุนโลกและโลกทั้งสามยังมีความสนใจต่ออัตตธรรมคารวะกราบไหว้พระพุเทธเจ้าโดยลําดับมาตามหลักธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่าศรัทธาเทวมนุษย์สาหนังนะพระพุเทธเจ้าเป็นศาสด า, เ ป, า, าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเคยสวดทุกวันไม่ใช่หรือว่าอิติเบศุภคะวาอรหังสัมมาสัสมพุโทโธ พระพุทธเจ้าทรงจัดสรุปเองโดยชอบวิชาเจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะความประพฤติเนี่ยวิชาก็วิชาสามวิชาหกอะไรเต็มอยู่ในพระไตรของพระเจ้าทั้งนั้นเจรณะคือทาเครื่องประพฤติพระอาการของพระองค์ทุกอย่างทุกพระอาการที่แสดงออกจะประกาศความเป็นศาสดาของพระองค์ให้โลกได้เห็นอย่าง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 ตามหลักาศาสนธรรมที่สอนวันนี้จะ ก, กลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภ า, ายในจิตใจของตนโดยลํำดับนับตั้งแต่เป็นคุณสมบัติทาง จ, จิตใจคุณสมบัติในตัวของเราแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็นมหาสมบัติภ า, ายจในจิตใจคือสําเร็จมากสําเร็จผลจนกระทั่งถึงวิมุตต์หลุดพ้นไปโดยลํำดับกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภ า, ายในจิตใจนี้เพราะอํานาจแห่งาศาสนธรรมความประพุทธเจ้าที่เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่ประทานไว้ให้เป็นมรดกแก่โลกนี้เท่านั้น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 อยู่ภ า, ายในจิตใจเป็นอันว่าใจของเรามีหลักอยู่ตลอดกาลนี่คือผู้ผู้มีหลักคือมีหลักทำอยู่ภ า, ายในใจร่างกายจะสลายไปก็สลายไปแต่คุณธรรมที่มีประจําใจเพราะความมึกยึดมั่นอยู่เสมอนี้จะไม่ปราศจากจิตใจนี้เลยสาระคุณอันนี้แหละที่ยังสัตว์โลกให้ เ, เกิดในสถานที่ดีสติที่งามไม่ใช่สิ่งอื่นใดที่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 เมื่อความจริงได้ประกาศสอนแล้วอย่างนี้โดยถูกต้องท่านจึงเรียกว่าส่วนขาธรรมคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ดังที่ยกมาเพียงเอกประเทศนี้เป็นต้นสิ่งทั้งหลายที่ทําแสดงออกให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้ยินกันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ทั้งนั้นจึงสมนามที่ว่าส่วนขาโตพระพระวตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุเทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอันใดที่จะต้องดัดแตลงแก้ไข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 ไม่เป็นของแน่นอนสิ่งที่แน่นอนก็คือสุขคือทุกที่เรียกว่าบุญและบาปอันเกิดขึ้นจากการกระทาของสัตว์โลกนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนหาว่าการกระทานี้ยังมีอยู่ตราบใดผลจะต้องเป็นไปอยูนั่นเสมอใครจะว่าสุขมีก็าตามทุกมีก็าตามไม่มีก็าตามนารกมีก็าตามนรกไม่มีก็ตามสวรรค์นี้ผ่านมีหรือไม่มีก็าตามธรรมชาตินั้นก็คือธรรมชาตินั้นอยู่โดยดี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 ก็ตอนับว่าเรามีบุญวาสนานมีบุญญาพิสมผ่านคนที่มีจำนวนมากไม่เคยได้สัมผัสอัตธรรมจากาศาสนาธรรมนี้จะมีจำนวนทเท่าไหร่นับไม่ได้เลยแต่เราก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนของผู้ที่ได้นับโอวาสหรือได้นับถือพระพุทธศาสนานได้พระพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะว่าเรามอีอำนาจวาสนาน้อยได้อย่างไร ต้องมีวาสนาบสมควรที่จะได้รับอัดรับ ร, รมถึงได้รับในนับถือพุทธศาสนาได้ถึงได้นับถือคนที่เขามานับถือมีมากมายกาดกองเห็นของจริงเป็นของปลอมเห็นของปลอมเป็นของจริงนี้มีมากที่จะเห็นคของของจริงเป็นของจริงเห็นของปลอมเป็นของปลอมนี้มีจำนวนน้อยเพราะสายตามนุษย์ออกจากใจใจถ้ามืดมนอนตรการเสียจริงๆแล้ว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 สิ้งไดที่ไม่มีก็บอกว่ า, วามันมีเช่นความเที่ยงของโลกนี้ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีจริงๆคือความเที่ยงความแน่นหนาทวารตลอดไปนี้ไม่มีสําหรับโลกอนิจจังนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้แล้วเราก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใต้กฎของอนิจจังนี้มันไม่แปรสภาพมันทนต่อสู้ความอนิจจังจนชนะปรปหน้าเราเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นต้องเป็นอนิจจังวันยั่งค่ำคืนยั่งลุ่ง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 ที่จะนําสาเหตุให้เกิดความเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ความคิดนั่นเป็นความผิดนะีการพูดอันใดเป็นเหตุให้เกิดความกระท ก, กระเทือนได้สาระที่จะทวงเถือประโยชน์ได้คําพูดเช่นนั้นเรียกว่ามิจฉาวาจาไม่ควรจะพูดนะให้ระมัดระวังเนี่ยการพูดพระ อ, องค์ก็สอนให้ระมัดระวังการคิดก็สอนให้ระมัดระวังการกระทําอันใดที่จะเป็นไปเพื่อความร ก, กระทกระเทือนตนหรือผู้อื่นที่ท่านบอกว่าเป็นความผิดก็ทรงสอนให้รู้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 โดยเฉพาะวิธีทดสอบวิธีสังเกตความวิธีแห่งความคิดของตนท่านในพิสูจน์ทางด้านจิตตะภาวนาเป็นหลักใหญ่ฉะนั้นการภาวนาจิตเป็นเรื่องที่จะทดสอบจิตเรียนให้รู้เรื่องของจิตความคิดความปรุงของจิตโดยตรงในขณะหนึ่งหนึ่งจิตจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คิดยิตอยู่ได้ด้วยการคิดการปรุงทั้งนั้นไมไ่อยู่ได้ด้วยความนิ่งความสงบ ถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องบังคับหรือเป็นมีทำเป็นเครื่องอบรมให้จิตมีความสงบได้จิตจะหาความสงบไม่ได้มุนตัวเป็นเกลียอยู่ทั้งวันทั้งคืนส่วนมากก็มุนไปทางที่จะปลุกมัดรัดตึงตัวเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกับคนก่อไฟนะั้นรู้จักก่อแต่จะดับไฟไม่รู้จักวิธีดับนั่นก็ลุกขึ้นด้วยที่ท่านสอนให้ภาวนาก็คือให้รู้วิถีของจิตเช่น้กําหนดอนาปานะสติกําหนดลมหายใจเข้าออก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 ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาความวุ่นวายที่เคยเป็นภายใจิตก็ระงับดับลงไปกลายเป็นความสงบและผลคือความสุขก็ปรากฏขึ้นมาภายใจิตนี่แหละคือผลของการทดสอบจิตการรัาากษาจิตคือความสุขจะปรากฏขึ้นมามากน้อยก็ทรารภายในจิตใจด้วยอํานาจแห่งกําลังความสามารถของตนที่ทําหากมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากและมีความชำนิชานาญในการ รักษาจิตจิตก็ยิ่งทรงตัวได้นานด้วยความสงบสุขจิตที่ไมีความสุขก็พักตัวเองควรตัวเองด้วยการคิดการปรุงในแง่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุดติลงได้จิตจะความสงบได้อย่างไรเมื่อถูกกวนอยู่เสมอเช่นน้าก็ต้องขุนเป็นตมเป็นโคลนไปได้พอ ถ, ถูกกวนจิตก็ต้องขุนโมะ จิที่กลุ่มมัวหาความสุขที่ไหนได้ไม่มีโลกทั้งโลกมันโลกทั้งโลกมันร้อนไปหมดถ้าจิตได้ร้อนเสียดวงเดียวเท่านั้นพอจิตมีความรู้สึกทั่วโลกกระทานคิดไปไหนได้หมดไม่นิยมว่าไกลว่าใกล้เวลานั้นเวลานี้ไม่มีคิดขณะเดียวเท่านั้นครอบโลกกาะทัะนี่แหละคือความปรงุงเพื่อรบกวนหรือรบหรือกวนตัวเองจึงต้องอาศัยการอบรมระมัดระวังจิตให้มีความสงบ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 นั้นก็เป็นมิมุติดูดพ้นลงไปได้นี่แลคือทําประเสริฐประเสริฐที่ใจที่ดูดพ้นจากสิ่งที่กด่วงทั้งหลายกลายมาเป็นธรรมชาติของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยพึ่งพิงอะไรทั้งหมดนี่แหลพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมธรรปรากฏเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้สาวกอหรหันอรหันท่านก็ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาด้วยเหตุดังกลาง่าวนี้ชาพูดเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้รับความสงบสุขเย็นใจมีเหตุมีผลในการประพฤติการ ก, การะทํก า, าการพูดกกาาารรรจปุงงงแตงต่่ๆ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 โดยลำดับใจนิแดเป็นมหาสมบัติเมื่อมีสิ่งใดจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจที่รักษาเรียบร้อยแล้วจึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี้